นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรม c o m อนนี่คือพระไพบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหนโกนนนกนตน ก, ก, โ ก, ก เ, เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการสวัสดีครับผมทันตแพทย์นัทพงศ์กนววิรุณครับจากกรุงเทพครับเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการวันนี้เราเป็นรายการตอนที่21นะครับท่านอีพิโซดที่21แล้วครับครับ ผ่านไปอย่างรวดเร็วสักการละหนึ่งเอพิโซดครับวันเนื่องจากว่ายี่สิบมาแล้วยี่สิเ็ดเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาเรื่องเดิมๆที่ได้เคยพูดไปแล้วมีความสำคัญมากมาขยายความเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องหลักๆเราได้พูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมรรคมีองค์แปดใช่มครับเรื่องของปฏิจจสมุปาเรื่องอะไรอีกหลายอย่างเลยวันนี้ก็จะกลับมาเรื่องที่ง่ายๆ เรียกว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดครับอ่าแล้วก็อยู่ปลายจมูกนี่เองอาจจะมองข้ามไปนั่นคือเรื่องของลมหายใจครับลมหายใจหรือที่เราเรียกว่าอาณาปนาสตินะครับครับก็คือจริงๆอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาณาปนสติเนี่ยสําคัญอย่างไรครับอืออ๋อสำคัญมากๆเลยนะคือถ้าเราสมมุติเราไม่หายใจเนี่ยเราตายแ น, น่นอนไม่เกินหกนาที นี่คือเรื่องทางกายภาพใช่ครับทีนี้อนาปานสติเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจอย่างเดียวอานาปานก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสตินี่ก็คือสติที่เราตั้งเอาไว้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นย้าเสมอคือเรื่องของสตินะคือลมหายใจก็ลมหายใจส่วนหนึ่งสติก็สติอีกส่วนหนึ่ง ถ้าเราพูดถึงเรื่องกายภาพลมหายใจมีความสาคัญทําให้ร่างกายมีทัดลมใช่ไหมเข้าไปไหลฟอกออกในร่างกายอะไรต่างอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าทางด้านอจิตใจครับอในหมวดของจิตใจหมวดของธรรมะเนี่ยก็คือว่าสตินี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญลมหายใจนี่ไม่เกี่ยวเลยลมหายใจนี่อยู่ที่กายจบที่กายแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือสติแล้วการที่เรามี สติอยู่ในลมหายใจเนี่ยเป็นการปฏิบัติอริยมรรคมีองแปดทั้งหมดนั้นคุณประโยชน์ต่างๆอันนี้สงของการปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยคือมันจากมันเกิดมาจากการที่เราทําสมถะละวิไม่เปรตสนาเฉพาะดูลมหายใจนี่สามารถครอบคลุมอริยมรรคมีองแปดทั้งหมดเลยหรอครับถูกต้องถูกต้องอคือสังเกตลมหายใจเนี่ยมีสติใช่ไหมใช่สติสังเกตในลักษณะที่พระเจ้าสอนนะ ก็คือเริ่มตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมนะจะเป็นอ่าสติปัฏฐานสี่มาในตัวสติปัฏฐานสี่มาในตัวเนี่ยจิตที่สามารถปล่อยวางทิฏฐิและตัณหาได้ทั้งหมดนั่นก็คือปิปัสนาสมาธิที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นสมถะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอนาปปานสติเนี่ยเป็นแค่สมถะนะอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกนะครับเคยเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินอ่ก่อนหน้านี้มี บางท่านก็พูดว่าลมหายใจเป็นสมถะล้วก็เอ๊จริงๆไม่ตรงกัพบพระพุทธเจ้านะครับอเราจะให้ชัดเจนก็คือว่าเป็นสมถะและวิปัสนาไ ป, ป, ร ป, รปรพร้อมๆกันพร้อมกันด้วยนะครับพร้อมๆเคียงคู่กันไปเลยบ้างกันเถอะครับอทีนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอนาปนสติก็คือเป็นกายคตาสติด้วยเป็นอยู่ในกายกายานุปัสนาสติปฐานด้วยครับ อยู่ในหมวดธรรมที่ถ้าทํามากเจริญมากแล้วจะมีอานิสงส์ย่างมีผลใหญ่ด้วยครับทําให้ได้ับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่สัมมาสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสีรูปสัญญาสมาบัติทั้งหมดออออืีกละกิเลสก็ได้ทํานิพพานให้แจ้งได้ใครอยากมีปัญญาปัญญาใหญ่ปัญญาหนาแน่นปัญญาคมกัญญาโว้ยทุกอย่าง ได้หมดได้หมดด้วยอาณาปาญสติใช่ไครับใช่อานาปัญสติครับคือประเด็นของมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจไงหมอธงอยู่ที่สติที่เข้าไปอาศัยลมหายใจเครื่องเครื่องอยู่อย่างนี้ได้ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงมีคําถามที่มีหมอคนหนึ่งนะเขาเรียนมีความรู้ทางด้านการแพทย์ใช่ไหมเขามาถามมาตมาบอกว่าเอ๊ที่บอกว่าสัมผัสของลมหายใจเนี่ยรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ย รับรู้ได้ที่ตรงไหนเนี่ยให้เราเอาจิตของเราเนี่ยจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นอาการที่จิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นเนี่ยคืออาการที่จิตมีสติใช่ไหมเขาก็ฟังเขาก็พิจารณาไปเนี่ยนะหม อ, อมรัตพงศ์เขาก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วจังหวะที่ลมหายใจเนี่ยมันไม่ได้สัมผัส ด, ด้านในโพรงจมูกล่ะมันก็จะมีจังหวะที่เราไม่ได้หายใจเช่นเวลาที่เราพูด อหรือเวลาที่เราหายใจเข้าแล้วจังหวะที่มันจะหายใจออกเนี่ยมันจะนิ่งไปนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ยช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนจาะเข้าเป็นออกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีสัมผัสของลมหายใจนะไม่มีสัมผัสของลมที่ผ่านเข้าออกในโพรงจมูกแล้วจะเอาสติไปตรงไหนโอ้ยทําทไม่ได้อย่างนี้นะออืม่าหรือทําได้ไม่ต่อเนื่องทําได้แค่เฉพาะตอนที่มันมีสัมผัสตอนที่มันไม่มีสัมผัสี่จบไปแล้วทําไม่ได้แล้ว จริงๆประเด็นที่เราต้องเข้าใจครับจริงๆเป็นยังไงครับท่านเนี่ยอืประเด็นที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการลมหายใจไงครับเราต้องการสติเราต้องการสติเ<ช>พราะฉะนั้นสติเนี่ยจะมีลมหายใจหรือไม่มีก็ได้นี่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นลมหายใจที่ผ่านเข้าออกระหว่างที่มันช่วงที่มันหายไปนิดนึงเราก็มีสติตรงนั้นต่อไปสติรู้ว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนไม่ใช่ สติให้จิ ต, ừ, อจตของเราอยู่ที่เดิมครับให้จิตของเราเนี่ยมารับรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมโดไมยโดโดไม่ว่าโดยไม่ว่าลมหายใจนั้นจะเข้าหรือจะออกจะนิ่งจะอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในบทแรกของอนาปนาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวแล้วทาไมพระพุทธเจ้าจะต้องบอกหายใจออกยาว เข้าสั้นออกยาวเข้าออกยาวสั้นอะไรอย่างนี้ด้วยแม้ถ้าจะเติมให้มันเต็มนะเข้ารูเดียวออกรูเดียวก็ต้องก็ต้องรู้เข้าสองรูออกสองรูก็ต้องรู้บางทีเข้าแบบอุ่นอุ่นร้อนๆ้อนเราก็ต้องรู้บางทีเข้าแล้วไม่ออกนิ่งนิ่งอยู่เราก็ต้องรู้มีสติแค่นี้เองอ่าเพราะฉะนั้นก็มีสติได้ตลอดครับสติเนี่ยมันอยู่ที่จิตไงหมอมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจที่ตัวลมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นแค่เรียกว่า เครื่องอยู่อ่าเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานท่ตั้บางคนใครไหนใครก็รู้ว่าไม่เคยฝึกมาก่อนอย่างเงี้ยเอ๊ะจะทำไงทำไงดีอ๋อใช้ลมหายใจคุณสังเกตได้ง่ายที่สุดเพราะบางทีจิตเนี่ยเราไม่เคยฝึกจิตมาก่อนเนี่ยนะมันสังเกตจิตมันจะยากต้องหาที่ตั้งให้จิตเราก็เลยพระเจ้าก็เลยแนะนําวิธีที่ใช้ลมหายใจคือบางคนเนี่ยนะหมอรัตตพงศ์คนที่ไม่เคยฝึกจิตเนี่ยบางทีเนี่ยแค่เดินไปหน้าบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าเดินไปตามขึ้นรถเมล์ หรือว่าขึ้นไปบนรถเนี่ยระหว่างที่มือคุณยื่นไปจับประตูคันประตูรถหรือว่ากําลังก้าวขึ้นรถเมยหรือว่าข้าวข้ามธรณีประตูออกไปเนี่ยเรามีความคิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางคนยังไม่ทราบเลยอื ม, มจิตมีซัดสายไปเรียบร้อยแล้วว่าับโอ้เห็นมดตัวหนึ่งอยู่ตรงประตูโอมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นมดคันไฟหรือมดแดงหรือมดดํำนอเราเคยเห็นมันที่ไหนมันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กับพอขาขาซ้ายขาซ้าย แตะลงพื้นนอกประตูอะไปความคิด น, นี้หายไปเอาแค่ครตรงเนี้ยแค่จากก้าวออกเนี่ยยกขาก้าวแล้วไปแตะด้านนอกประตูเนี่ยด้านนอกอาคารเนี่ยมันยังไปคิดหลายเรื่องเนี่ยบางทีเราตามไม่ทันใช่ครับแค่ระหว่างที่เรามือจับประตูกําลังดึงประตูยังไม่ทันเปิดนะกําลังดึงมือเปิดประตูอยู่ประตูยัง ไ, <ป>ไม่ทันเปิดมันอาจจะคิดไปว่า อีกเรื่องหนึ่งนะอุณหภูมิของตรงนี้ทําไมมันอุ่นจังวันนี้อากาศเย็นแล้วเมื่อวานอากาศร้อนแล้ววันไหนจะเป็นยังไงต่อไประหว่างประตูเปิดปุ๊บความคิดนี้หายไปละครับบางที<ม>เราไม่ทันเลยบางทีไม่รู้รรเพรา ะ, ะนั้นเราจึงต้องถ้าไม่รู้ความคิดเนี่ยจ้องฝึกจิตให้จิตมีสติก็ต้องทํายังไงพระพุทธเจ้าก็แนะนําหลายวิธีมากวิธีหนึ่งก็ให้สังเกตลมหายใจนี่แหละใช้ลมหายใจก่อนแล้วถ้าเราสามารถสังเกตเห็นลมหายใจนะคือหมายความว่าเห็นลมหายใจนะ ยังไม่ต้องเห็นจิตไม่ต้องเห็นแรงสิ้นนะเอาเห็นลมหายใจพอแล้วจังหวะที่ลมหายใจมันไม่กระทบในโพรงจมูกเราไม่ต้องเห็นกระดัเอาแค่นี้ก็ดีแล้วอืมทีนี้แค่รู้รู้จังหวะที่มีการกระทบของลมารู้แค่นี้ก็ดีมากๆแล้วครับถ้าคุณละเอียดก็ไปอีกมีคําถามว่าอ้าวแล้วที่มันไม่มีการกระทบฉันจะรู้ได้ไงโอ้เป็นคําถามที่ดีมากๆเพราะว่าคุณเริ่มรู้ที่ว่าอ่าเริ่มรู้ลมหายใจละและตอนที่มันไม่มีกระทบเนี่ย จะทำยังไงก็รู้ต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละรู้ที่เดิมต่อไปอย่างนี้ครับอมไ่งั้นคนคนเขาเรียกว่าอะไรหมอระพงคนตกน้ําอย่างเงี้ยกั้นหายใจ อ, อยู่<ไ>ทําไงไม่ได้หายใจใครับก็มีสติอยู่ได้มีสติอยู่ได้คเจริญอานาปานสติได้ครับโดยการรู้ลมหายใจครับอย่าง ปกติเวลาทั่วๆไปที่มีการสอนกันเนี่ยเขาบอกว่าใหม่ๆเนี่ยให้จับที่ปลายจมูกก่อนอย่างเงี้ยจะจะได้ยินบ่อยครับปลายจมูกว่าเออมีลมผ่านเข้าผ่านออกเลยกระทบเนี่ยอันนี้สําหรับคนใหม่ๆก็พอพอได้ใช่ไหมครับหรือว่าออปลายปลายจมูกเนี่มันก็มีหลายปลายนะ <c oughs> ครับคือหมาย <c oughs> ความว่ากี่มิลลิเมตรจากตรงปลายเข้ามาบนะรบหรือว่าเอาบริเวณไหนบริเวณ ด้านซ้ายของปลายด้านขวาของปลายอย่างเงี้ยซึ่งพระเจ้าไม่ได้ฟันธงว่าต้องตำแหน่งนี้เท่านั้นครับนะวัดเข้ามาพื้นที่หนึ่ง20ตารางมิลลิเมตรตรงนี้นะแล้วก็เอาจิตเราไปจดจ่อไว้ตรงนี้ตรงมีขนไม่ได้นะเอาตรงไม่มีขนอย่างเงี้ยนะไม่เคยตัดเลยเอาตรงไหนก็ได้ที่คุณรับรู้ได้เอาตรงนั้นเอามันตรงนั้นเลยเอาตรงที่คุณรับรู้ได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันพระเจ้าจึงบอกไว้คร่าวๆว่า ดำรงสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าหน้านี่คืออะไรภาษาบาลีก็จะมุกขังปริมุกขังปริมุกขังมุกนี่ก็คือว่าด้านหน้าทางเข้าออกนะอย่างเรือนไทยบางสมัยก่อนตอนที่ ม, มออุตอนที่พวกอังกฤษเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมีค้านิยมว่าบ้านนะต้องมีมุกอย่างนี้น ะ, ม, ะ, ะมุกเนี่ยก็คือทางเข้าเป็นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภายนอกกับภายในอาคาร ในบ้านคุณนางผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีมุกยื่นออกมาเพื่อมาให้รถเข้าไปเทียบได้โดยที่ฝนตกลงมาแล้วจะไม่เปียกอย่างเงี้ยครับมีมุกยื่นออกมาตรงเนี้ยมุกที่ยื่นออกมาเนี่ยเนี่ยก็คือดันหน้าทางเข้าออกครับเพราะฉะนั้นจะมูกเนี่ยเอาง่ายๆคุณเอานิ้วชี้หรือนิ้วก้อยก็ได้อย่าเอานิ้วโป้งก็แล้วกันล้นลวงเข้าในจมูกติดอยู่ที่ไหนบริเวณนั้นท<ะ>ั<ะ>้งหมดนั่นแหละนะให้มีสติรู้อยู่เอาสักตรงหนึ่งแต่อย่าล้วงลึกเกินไปนะเดี๋ยวมันจะ จะทะลุไปด้านหลังมันจะแยกมันอันตรายครับอ่าครับเพราะฉะนั้นเอาตรงที่อพอจะมีจุดที่รับรู้ถึงลมหายใจได้เอาตรงนั้นครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ได้เลือกเวลาด้วยลมหายใจตอนเช้ามันก็ลมหายใจเดียวกับลมหายใจตอนหลังกินข้าวนั่นแหละครับเรามีสติได้หมดครับครับจริงๆก็เรียกว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งดับไปเนี่ย ก็คือลมเนี่ยจะต้องอยู่กับตัวเราตลอดเลยใช่ไหมครับใช่เป็นเรียกว่าโห้เรานึกได้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทันทีใช่ไหมครับครับหายไปสิบห้านาทีเนี่ยก็เริ่มแย่แล้วนะครับลมหายใจเนี่ยครับไม่ได้เลยสมองตายก็ทำอะไรยากเป็นเจ้าชายนิทราครับจริงๆเขาบอกว่าตามสี่นาทีแต่ว่านาทีใช่ไหมอ๋อสี่นาทีแต่ว่าในใน บางคนเนี่ยอย่างเช่นพวกนักดำน้ําหรือพวกที่ฝึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นหกเจ็ดนาทีได้อืแต่เอาเอามาตรฐานทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสี่นาทีก็สมองก็จะตายเนี่ยฮูถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร vital ก็คือยิ่งยวดเลยสําคัญยิ่งยวดเลยใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นชี้เป็นชี้ตายเลยรลมหายใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราหายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหมอทศวงเราอยาหายใจทิ้ง ลม <ง S 1> หายใจเนี่ยให้ใช้มีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติยืนลมหายใจครับถ้าเรามีสติยืนลมหายใจแล้วเราก็ไม่หายใจทิ้งเป็นผู้ที่เรียกว่ามีราตรีหนึ่งเจริญมีชีวิตอยู่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้นะแม่มันยังดีกว่าถ้าคุณมีชีวิตมาอยู่ร้อยปีแล้วไม่มีสติเลยนี่นะมันแย่จริงๆแต่ขอให้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้นะมีสติอยืนลมหายใจนะดีมากๆแล้วถือว่าได้เรียกว่าจเจริญ จเจริญเป็นเจริญภาวนาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอืแล้วก็เป็นสิ่งที่โอ้มันมีประโยชน์มากมจริงๆนะครับแล้วครับผมยังเจรการเจริญอาณาปาณสติเนี่ยเราท่านท่านกล่าวแล้วว่าเป็นเหตุให้สติปฐานสี่เจริญใช่ไหมครับใช่ใชแล้วเ อ, อมีต่อว่าแล้วเป็นเหตุให้โพชฌงจเจ็บเจริญด้วยและวิชาวิมุติบริบูรณ์อย่างนี้ ขอท่านช่วยกลับเชื่อมโยงเชื่อมโยงในหมวดทำนี้ได้ไหมครับเพราะว่าเวลาเรามีสังเกตลมหายใจใช่ไหมครับผมสตรีปทานสี่ก็มาละกายเวทนาจิตธรรมมาด้วยกันหมดมายังไงอธิบายสั้นๆคร่าวๆตรงนี้ก็คือว่ากายเนี่ยก็คือลมลมก็คือกายเพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยเป็นธาตุลมก็คือกายใช่ไหมความรู้สึกใดๆนะจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกข์ก็ตามจะไม่ใช่สไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามหรือเป็นปีติก็ตามเนี่ย ที่เกิดจากการที่เรามาสังเกตลงในใจเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเวทนาเวทนาเป็นเวทนาคือเวทนานุปัสนาสติปทานละครับแล้วก็การที่เราเอาจิตของเราเนี่ยมามีสติแต่การที่จิตมีสติเนี่ยมันชื่อว่าเห็นจิตแน่นอนเออใช่ครับเพราะว่าจิตมันอยู่กับสติสติอยู่ติดกับจิตสติกับจิตเนี่ยมาด้วยกันเพราะคนที่มีสติก็ชื่อว่าเห็นจิตถ้าคุณไม่มีสติคุณก็ชื่อว่าไม่เห็นจิต เพราะนั้นคุณมีสติอยู่ในโลหายใจก็ชื่อว่าเห็นจิตแล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าเห็นจิตในจิตเป็นผู้ที่เรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานครับส่วนเรื่องของธรรมะก็คือว่านุปัสสนสติปัฏฐานการที่เราเห็นเกิดดับเห็นความจางกลายเห็นความเสื่อมไปเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเห็นธรรมละเห็นลมเกิดเห็นลมดับอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับได้หรือเห็นความรู้สึกความคิดนึกที่เกิดขึ้นในจิตเกิดดับ เห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตเกิดดับเห็นความคิดต่างๆเห็นแค่สัมผัสของลมหายใจมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็จางกลายดับไปละครับคือชื่อว่าเห็นธรรมอนุปัสนาสีปทาคนที่มีสติอยู่อย่างเนี้ยหมรตพงศ์เขาจะเลือกเฟ้นใคร่ครวนทำอยู่ด้วยปัญญาครับการที่เราเลือกเฟ้นใคร่ครวนทำอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยคือเรียกว่าธรรมวิชยาสัมโพชฌงค์ครับอ๋อก็มาเข้าหมวดของโพชงค์ใช่โพชงค์เนี่ย แปลว่าองค์ธรรมอย่งการตรัสรู้ธรรมมันเป็นองค์ธรรมที่จิตเราเนี่ยจะต้องมีต้องประกอบจึงจะทําให้เข้าสู่วิมุติได้ครับอก็จะเป็นอส่วนพศชงเดียกตะกี้ธรรมวิจัยใช่ไหมครับธรรมวิจัยแล้วพอพอใครก็ตามที่ใครครวญธรรมอยู่นะครับความเพียรที่เอาไปใคร่ครวญธรรมนั่นแหะก็คือวิทยสัมโพชง ปิยาใช่ครับปิยาสัมโพชงเป็นความเพียรแบบที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยต้องมีจะทำให้จิตของเราเนี่ยเมื่อมีแล้วประกอบแล้วเนี่ยจะเข้าสู่เิ ม, มุดต่างครับแล้วทีนี้อพอความเพียรมีความเพียรอย่างนี้ใครควรธรรมะอยู่เนี่ยมันจะอิ่มเ อ, อิบใจสบายใจปัจจุบันปิติสัมโพชงปิติก่อนออก็จะมีปิติสัมโพชง ค, คนที่อิ่มเ อ, อิบใจสบายใจเนี่ยกายเขาจะส ง, ะงบเรียบ อืมมีปัสะติสัมโพชฌง์ใช่ก็จะเป็นปัสะติสัมโพชฌงค์คนที่กายสงบระงับแล้วเนี่ยอ่าก็จะมีความสุขนะคนที่มีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิสัมโพชฌง์ใช่ครับพอมีสมาธิสัมโพชฌง์อยู่อย่างนี้เนี่ยคนที่เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีห ม, มงหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่จิตเราเป็นสมาธิอะนะอะไรมากระทบเนี่ยเราไม่กระเถือนไม่หวั่นไหวไปตาม อารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่ไม่กระเตือนไม่หวันไหวไปตามนั่นแหละคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมสัมโพชฌงค์ตัวตัวสุดท้ายใช่ไหมครับก่อนเข้าสู่วิชาวีมุตใช่ไหมครับเอมันเกิดได้พร้อมกันอ๋อเกิดพร้อมกันเลยทั้งทั้งเจ็ดองค์พึึบอออันใดหนึ่งก็ได้พร้อมกันก็ได้เป็นไปตามลําดับก็ได้จัดเพราะว่าถ้าต้องเกิดเป็นลําดับเนี่ยมันก็ ก็ไม่ได้มาด้วยกันได้ขนาดไม่ได้ครับมีไหมครับสมมติพวกไปอุเบกขาสัมโพชงเลยเหมือนพารไปเลยอย่างนี้ได้มีได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราพิจารณาธรรมะอยู่บางคนอาจจะรู้สึกนิ่งๆอยู่คือมันมาพร้อมกันน่ะหมอรัฐงศ์นึกออกไหมมันมาพร้อมกันเป็นก้อนเดียวกันได้ครับอืทีนี้พุทธวจนะอะไรที่สพอร์ตทําตรงนี้เพราะว่า เราดูจากตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยไม่เป็นการอันควรที่จะเจริญวิญยาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นการอันควรที่จะเจริญธรรมวิญยาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นการอันควรที่จะเจริญปิติสัมโพชฌงค์เพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นัถูกมอหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีสติ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะนํากระโดดไปตรงไหนก็ได้ค่ะคือถ้ามีสติก็ความฟุ้งซ่านก็จะดับไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมอ่มอก็คือจะดับได้หรือไม่เราต้องมีกําลังจิตไงบางทีงมีความฟุ้งซ่านอยู่มีสติอยู่แต่ดับความฟุ้งซ่านนั้นไม่ได้ครับอืมก็ยังมีสติอยู่ในนิวรณ์ได้นะใช่ครับอันนี้เราเคยพูดกันมา พอสมควรแล้วมีสติในนี้มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับอานาปานัสติอยู่พอสมควรใช่ครับครับเดี๋ยวขอเรียนถามเลยนะครับจากคุณที่ใช้ชื่อว่าปานิทิศนะครับคือมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องอานาปานสติคือท่านท่านได้ยกพุทธวจนะขึ้นมาบอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวอเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งเฉพาะกายทั้งปวงหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการศึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายยังขานให้รำงับอยู่หายใจเข้าเราเป็นผู้ทำกายยังขานให้รำงับอยู่หายใจออก ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเกียได้คุณปณิทิตต้องการถามว่าคำว่าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าคำนี้ยแปลว่าอะไรครับเอา้าก็คือฝึกนั่นเองทำศึกษาทำการปฏิบัติ ทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติศึกษาฝึกฝนศึกศึกษาด้วยการปฏิบัติให้ทําเลยไม่ใช่ว่าอ๋ออ่านเข้าใจทําเลยทําเลยอ่านแล้วเข้าใจใช่ไหมสังเกตลงในใจไหมสังเกตลงในใจไหมว่าอ๋อรู้ชัดว่าหายใจเข้าออกรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวให้รู้เดี๋ยวนั้นเลยทําการศึกษาด้วยการฝึกหัดทําการศึกษาฝึกหัดฝึกหัดฝึกฝนศึกษาตามไปเลย คือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเอาพูดให้มันชัดเจนเรียนรู้รด้วยการปฏิบัติถ้าพูดอย่างนี้นะก็คือสังกฤษก็ l e ARNING BY DOING าใช่ไหมครับทาเลยนะครับอมีข้อคําถามข้อที่สองนะครับถ้าเราปฏิบัติตามพระสูตรนี้แปลว่าทุกลมหายใจเข้าออกเราต้องรู้ว่าตอนนั้นเราหายใจเข้าหรือหายใจออก รู้ว่ายาวหรือสั้นรู้พร้อมในร่างกายของเราให้ทั่วและทํากายให้รํางับทั้งหมดนี้พร้อมๆกันหรือมันดูเยอะจนเราไม่สามารถทําได้ทั้งหมดพร้อมๆกันอ๋อหมายถึงว่าคุณปนิติคิดว่าถ้ารู้หมดทั้งสิบกอย่างทั้งกี่อย่างทั้งหมดเนี่ยไปพร้อมๆกันนี่มันจะโ อ, โอ้เวมมากท่วมทน้น ใ, <ช> ใ, ใช่ไหมครับเห็นคีย์เวิร์ดหรือเปล่าคุณปณิติ ผู้ที่ปฏิบัติทั้งหมดจะต้องเห็นคีย์เวิร์ดคำกุญแจในพระสูตรนี้ไม่ว่าตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะจะมีคําว่าเราเป็นรู้รู้เราเป็นผู้รู้รเราเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดแตนะไม่ว่าจะอยู่ตรงวักไหนตรงไหนเนี่ยหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ห า, า, ายใจออกยาวเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตการปรุงแต่งทางจิตเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งการทำการปรุงแต่งทางจิตให้รังงับเนี่ยจะเป็นผู้รู้หมดไม่ว่าอะไรเกิดมารู้อย่างเดียวรู้นี่ก็คือมีสติไงรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมคือมีสติอ๋อมีปิติไว้อาหรืออ้าวเห็นความจางคลายไปอารู้อ้าสั้นสั้นรู้เอ า, อ า, เอายาว ก, ก็รู้ข้างเดียวก็รู้สองข้างก็รู้ก็รู้แค่นี้เองคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ เราแค่รู้อะไรมาเรารู้หมดที่เกี่ยวกับลมหายใจอย่างนี้อือย่างนี้คือรู้รู้ระ้ววางด้วยไหมครับรู้รู้แล้วก็คือรู้รู้เฉยเฉยใช่ไหมครับรู้แล้วก็วางแต่ไม่ไม่ใช่ไหมครับก็รู้แล้วเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับที่อยู่ในมาสติฐานสูตรที่ว่าที่ว่าเมื่อเธอสติที่เธอระลึกรู้เนี่ยก็เป็นเพียงเพื่ออาศัยรู้และอาศัยระลึกที่แท้ทิฐิและตนาของเธอไม่อิงอาศัยได้ ก็คือเพื่อที่จะละตัณหากับทิฏฐิในสิ่งเหล่านั้นครับก็น่าจะชัดเจนนะครับคำถามข้อที่สยังมีพระสูตรอื่นๆในธรรมนองเดียวกันนี้สำหรับเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาถ้าจะทำสติปัฏฐานเข้าใจว่าเรา เลือกทำหมดในหมดหนึ่งก็พอใช่ไหมครับตรงนี้ก่อนครับใชถูกต้อ<ม> ง, งอันไหนก็ได้ที่เราทําได้ครับผู้รู้จักเคยเปรเียบตรงนี้เหมือนกับทางสีทางทางสีแพร่งมาจากทางเหนือใต้ออกหรือตกก็เข้ามาสู่ตรงกลางเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้น ม, มาจากทางไหนก็ได้นะลมพัดจากทางเหนือก็ทำให้ฝุ่นนี้กระจายไปกิเลสกระจายไปได้เรามาจากเวทนาจิตหรือธรรมนะเข้ามาที่จิตมีสติอยู่ ก็กิเลสก็แตกได้ครับก็ต่อต่อเนื่องเป็นคําถามว่าอ่าบอกว่าเขาทําหมวดใดหมวดหนึ่งก็คือใช่นะครับเป็นแบบว่าวันนี้ฉันจะทําหมวดกายนะวันพรุ่งนี้ฉันจะทําหมวดเวทนานะอือย่างนี้ก็ก็คือถูกต้องตามที่ท่านท่านอ่ากรุณาตอบแล้วหรือแบบนั่งสมาธิไปสักพักเปลี่ยนจากหมวดกายเป็นหมวดจิต เพราะหมวดกายฉันทำเยอะแล้วแล้วสักพักก็เปลี่ยนเป็นหมวดอื่นอีกออท่านคือ ค, คุณเป็นคิดว่าที่อธิบายมานี้ยังไม่น่าจะถูกต้องทีเดียวใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยอาก็สิ่งที่เราต้องการคือสติเพราะฉะนั้นถามว่าคุณเปลี่ยนเนี่ยเอาอะไรเป็นเหตุอหเอาอะไรเป็นเหตุในการที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูเวทนา เดี๋ยวไปดูจิตแล้วก็เดี๋ยวไปดูกายเดี๋ยวไปดูธรรมถามว่าเปลี่ยนเนี่ยอะไรบารมิหตอะไรในการเปลี่ยนสมมุติว่าอย่างอย่างเอาเอาเอาง่ายๆมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกมาแล้วสงสมมติถ้าผมบางคนเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะหรือว่าจะอธิบายให้ฟังอ๋อมีความคิดว่าเอ๊ะมันตำรามันว่าไว้สี่อย่างเว้ยไอเราทําอย่างเดียวโอ้เปลี่ยนแล้วกันวะเดี๋ยวขอเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตอนเช้าเอากายเดี๋ยวตอนบ่ายเอา เวทนาแล้วกันเ<อ>พราะว่ามันม้าไว้สี่อย่างอันเนี้ยเป็นผู้ที่แบกตําราเข้าไปด้วยยังเป็นผู้ที่ยังยึดถือทิฏฐิ อ, อยู่ยังมีตัณหาครอบงำอยู่ครับว่าตัณหาในความอะไรในความเป็นไ ง, ใ น, นไงในความมันต้องเป็นอย่างไรในความันต้องเป็นอย่างนี้คถ้าเรายังมีตัณหามีทิฏฐิ อ, อยู่เนี่ยอันนี้ปฏิบัติผิดอ๋อไม่ถูกนะครับไม่ถูกแล้วต้องทำยังไงถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณปลาลบอะไรเป็นเหตุสมมติว่าเอ๊ะเห็นเวทนาอ่ะเดี๋ยวไปเห็นกายดีกว่าเว้ย ถ้าเปลี่ยนเนี่ยการเปลี่ยนหรือว่าการสังเกตยังไงปรารบเหตุที่ว่าจิตฉันไม่สงบฉันต้องเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของฉันต้องรู้ว่ า, าสังเกตลมหายใจอย่างไรจิตถึงจะสงบได้เหมือนพ่อครัวผู้ฉลาดนะพ่อครัวผู้ฉลาดเนี่ยเขาจะรู้จักสังเกตรสชาติของอาหารของตนว่ า, วาอ๋อวันนี้อาหารเปรี้ยวไปเค็มไปเผ็ดไปเอาไปเสิร์ฟพระราชาเนี่ยพระราชาชอบกินไม่ชอบกินชอบกิ น, อ, กนอาหารแบบไหนก็ทําอาหารแบบนั้นมาถวายมากๆ ทำให้ถูกใจทาให้มาลดกลมกล่อมเข้ากันเขาจะเป็นผู้ได้รางวัลได้เสื้อผ้าได้ของกํานันทั้งหมดเหมือนกันถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะสังเกตลมหายใจแล้วมันไอ้สังเกตเวทนาธาตลมเนี่ยเออเอาสังเกตธาตลมเนี่ยมันจิตไม่สงบเว้ยเออเราไปเออเราไปจิตไม่ตั้งมั่นนะกิเลสยังละไม่ได้ฟุ้งซ่านเอ้าคุณไปสังเกตกายสังเกตหรือสังเกตเวทนาอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้อง อืมอย่างใครเป็นเป็นอุบายที่เรียกว่าแ ย, ยบคายกว่าใช่ไหมครับว่าถ้าเราทําในลักษณะนี้แล้วสมาธิไม่ตั้งมัน่นหรือว่าการปฏิบัติไม่เจริญก็ให้เปลี่ยนก็ให้ ล, ลองลองอีกี่หน่งครับอ่าก็ต้องเป็นผู้ฉลาดในวรรสิณิอย่างตนต้องเป็นผู้ที่รู้จักสังเกตรสอาหารของตัวเองเหมือนพ่อครัวต้องเป็นผู้รู้จักสังเกตว่าเอ๊ะฉันทําอย่างนี้ทําไมจิตจะไม่ตั้งมัน่น คนสองคนนั่งอยู่ข้างๆกันหมอนตะงสังเกตเราหมายแจเหมือนกันเจริญ อ, อนาปนานสติเหมือนกันคนหนึ่งจิตสงบคนหนึ่งจิตฟุ้งซ่านแล้วทำไมอะก็ตรงนี้แหละคือประเด็นที่พระเจ้าให้เป็นผู้ฉลาดนะฉลาดในการที่จ ะ, ะฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนนิมิตแห่งจิตของตนฉลาดอย่างนี้ครับอันนี้คือแต่ละคนก็ต้องไปปรับใช้แล้วก็สังเกตเอาเองใช่ไหมใช่ต้องมีมาตรฐานบาฐานในการที่เรารจะเป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะ มาตรฐานของความฉลาดที่พระเจ้าได้เอามาใช้ในที่นี้คือว่าความที่จิตสง บ, ค, บความที่จิตตั้งมั่นอยู่ได้เป็นผู้ที่สามารถอมองเห็นอริยสัจสีได้เงี้ยออเห็นการ<ม>เกิดการดับได้ใช่ครับเราก็ไม่ยึดถือว่าโอ้ทำมันต้องทำสี่อันพร้อมกันได้แล้วก็ต้องทําอันนี้สาสิบห้านาทีต่อด้วยนั้นยีิบเก้านาทีแล้วก็ไปนะทำอันนี้อีกสาิบสองนาทีอย่างเงี้ย อันนั้นคิดแบบโลกๆเลยนะครับคิดแบบทางโลกไปด้วยต้องเอาให้ครบอย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่ไม่เหมาะที่จะมาใช้กับครับคือคือครบเนี่ยมันครบโดยอัตโนมัติไงเหมือนกับทางคึ้นเดีมีทางขึ้นจากทางเหนือใต้แล้วออกและตกคุณขึ้นจากทางที่ตอนออกก็เหมือนขึ้นจากทางทิศใต้มันเข้าไปสู่ใจกลางของ J จดีเหมือนกันจุดเดียวกันจุดเดียวกันครับอ๋ออันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับชัดเจนคำถามตอนเนื่องข้อที่สี่นะครับอื พระอาจารย์บอกเสมอเสมอว่าเราฟังทมไปเราก็มีสติรู้ลมหายใจไปด้วยท่านยังสงสัยว่าถ้าเราฟังอยู่เนี่ยสติมันควรจะอยู่กับสิ่งที่ฟังใช่หรือไม่ครับไม่ควรจะไปอยู่กับลมหายใจรบกวนพระอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจด้วยครับอ๋ อ, อคุณประนิธิเคยฟังดนตรีหรือว่าไปดูหนังอย่างเงี้ยนะ เอาแค่ฟังดนตรีก็แล้วกันถามว่าเวลาฟังดนตรีเนี่ยทําไมเราถึงได้ยินเสียงต่ําพร้อมกับเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางด้วยหลักเราจะได้ยินแต่เสียงต่าอย่างเดียวไม่ได้หร อ, อมันไม่ได้มันมาพร้อมกันใช่ครับ <ผม S 1> หรือ<ม>ว่าเราดูทีวีอ่ะดูละครดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เห็นภาพไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงไปด้วยเนะ่ยพร้อมกันด้วยเออทาไมมันทําได้อ่ะเหมือนกันเราสังเกตลมหายใจเนี่ยแล้วเราก็ ฟังธรรมะไปด้วยได้ถามว่าทําไมคิดว่าทําไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ชนานํานาญยังไม่ชํานาญ<ต>ทำให้มันชํานาญเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสติเข้า ไ, ไหมสติเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการมีสติแล้วเรามีสมาธิมีสมาธิเนี่ยิ่งจะฟังรู้เรื่องครับอืมไม่ได้ว่าต้องแยกกันคนละอย่างอะไรงั้นเลยทำได้ทําได้อืเพราะว่าตัวจิตจิตหรือจิตเราเนี่ยมีความว่องไวเพียงพอที่จะรับ รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมครับคือหมายความว่ามันก็คนลจิตกันแล้วนะคนลจิตแล้วเพราะว่าจิตที่ทําหน้าที่รับฟังเสียงกับจิตที่ทําหน้าที่รู้ทางตาเนี่ยมันคนลจิตกันพระพุทธเจ้าใช้คําว่าจักษุวิญญาณกับอะไรล่ะโสตวิญญาณซึ่งมันเป็นคนละวิญญาณกันละครับครับก็คือคําตอบก็คือได้ทําพร้อมกันได้ต้องได้ทําให้บ่อยทําให้มากทําให้นานอย่างนี้ไหมครับ ก็ทําให้ชํานาญทําให้ชํานาญก็คือว่าเป็นผู้ฉลาดในการาเข้าออฉลาดในการออกฉลาดในทำที่เป็นอเอื้อเฟื้อคุณเป็นผู้มีปกติมีเท่ากันพร่องไหมทรงสุดตาสังสงสุดตาไหมอยู่ป่าเสพสนาสนาสันสงัดไหมก็มีเพื่อนดีไหมทรงจํำทำได้มากไหมปารบคาถาต่างๆาาาาาาคาถ า, าถาในการอยู่วิเวกคาถาในการปารบความเพียรคาถาในการไม่หิดกดุคลีด้วยหมู่คณะ อย่างนี้หรือเปล่ามีศีไหมอย่างงี้นะเพื<ช>่อให้เราแบบสามารถทําได้ครับอจริงๆเ อ, อย่างอันนี้เป็นคําถามของผมนะครับ ใ, ใ, ในเรื่องของการการบรรลุมรรคผลเนี่ยเข้าใจว่าเอามรรควิธีการใช้อนาปานสีเนี่ยเกิดเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนว่าได้ผลมากที่สุดไหมครับเท่าที่ศึกษาจาก ใ, ในแนวพุทธวจนะเนี่ย เหมือนกว่าวิธีนี้แบบเข้าสําเร็จเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับสําเร็จมากหรือน้อยอยู่ที่อะไร <c oughs> เออไม่ได้อยู่ที่วิธีการหรอกมาลต์สุพงอยู่ที่อินทรีย์อ๋ออยู่ที่อินทรีย์บารมีของแต่ละคนก <c oughs> ็คือที่ที่เราเคยพูดถึงอินทรีย์ห้านัใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมครับอเพราะนั้นก็เขาจะมี <c oughs> มีความที่จะสำเร็จในมรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็อยู่ที่อรียมรคเมืองแปะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการก็เป็นส่วนหนึ่งก็ยังจไม่ใช่เหตุปัจจัยทั้งหมดอ๋อครับมีคำถามจากคุณก่ะกนกรัฐไม่ทราบจะเรียนถามได้เลยครับคือคุณกนกรัฐเรียนถามมาว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตนะครับ คือบอกว่าทำไมผู้ป่วยทางจิตถึงห้ามไม่ให้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยว อ, อันตรงนี้ก่อนคือผมไม่แน่ใจคือจากประสบประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เหมือนกับไม่ไม่เคยพบที่ไหนห้ามนะครับก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าอ๋<ม>ออันนี้คงจะปรารบอ่หลักสูตรอีกเรนทีไวัดบ่าเราไหนสศกมั้งอ๋อรครับครับเพราะคุณรก็เคยมาเข้าก็ได้มีการสื่อสารผู้จากับ เป็นเป็นกฎระเบียบของหลักสูตรเราอะนะว่าถ้ามีใครที่เป็นป่วยเป็นโรคจิตประสาทหรือว่าทางจิตอะไรเงี้ยนะก็จะเรียกว่าให้ให้ไปรักษาให้หายก่อนครับอแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติอย่างเงี้ยอ๋อครับเดี๋ยวตอนเนื่องคําถามนะครับแล้วถ้าบุคคล น, นั้นต้องทานยารักษาโรคทางจิตนะครับตลอดชีวิตเลย กรณีนี้จะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้บุคคลนั้นเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมบ้างเพราะปัจจุบันนี้มีคนที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทางโรคจิตเนี่ยมากมายที่เหมือนกับว่ารักษาแล้วไม่หายขาดถ้าบุคคลเหล่านั้นเสียชีวิตในขณะที่จิตยังป่วยอยู่กรณีนี้เท่ากับว่าจิตสุดท้ายต้องไปอบายจึงเกิดความสงสัยเลยกลับเรียนพระอาจารย์ช่วยคลายข้อข้องใจด้วยครับ ก็คือเรื่องของจิตเนี่ยถ้ามีอาการป่วยทางด้านระบบประสาทอาจจะเป็นเส้นอะไรที่มันลิงก์กันอยู่ข้างในนะนะสายไฟฟ้าของเนี่ยนะที่เป็นเดนไดรัยเป็นอะไรพวกเนี้ยมันเชื่อมต่ อ, ตอทําไม่ดีอะไรอ่างนก็คงต้องไปรักษาทางทางกายภาพทางอายุเวช ท, ทางระบบประสาทอะไรอย่างนี้ไปครเสรมนิดนึงครับท่านตรงนี้มันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทที่อังกฤษเขาเรียกว่านิวโรเทนสมิเตอร์อ่าอ่าอ่าใช่ ก็จะมีกรณีนี้เยอะเหมือนกันนะสารสื่อประสาทผิดปกติก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นได้เพะฉงนั้นก็เลยก็เลยมันมันมีหลายระดับอ่ะคนที่ป่วยโรคจิตประสาทนะบางทีมีภาพหลอนบางทีมีเสียงหลอนบางทีซึมเศร้าบางทีเครียดนะมันก็ไม่หรือบางทีเขาเรียกว่าโกรธฟูมไฟล์อย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าไม่รับ ทุกคนคนที่พอพูดได้พอพูดรู้เรื่องมันก็พูดรู้เรื่องมาได้จริงๆคนมันป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ถึงไม่ถึงว่าดูดีๆอย่างเงี้ยดูธรรมดาก็จริงๆไขมันก็อาจจะทำไมถึงป่วยขหมอทวดบอกเพราะว่ากิเลสไงกิเลสเนี่ยมันทําให้จิตเราบ้าทําให้จิตเราบอดทําให้จิตเรามืดทําให้จิตเราดําทําให้จิตเราร้อนทําให้จิตเราหลงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเรามีอาการมืดตึงๆนั่นน่ะ ถูกโมหคโโโะครอบงําเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกร้อนน่ะนะถูกโกรธอ่าก็เลยโทสะครอบงำโทสะครับอ่าเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกหิวจิตหิวอย่างเงี้ยก็คือเวลาที่คุณถูกโลภะครอบงาําคราับเพราะนั้นแค่อ่าเห็นคนด่าได้ยินคนด่าเราเรารู้สึกโกรธนั่นน่ะป่วยแล้วนะป่วยทั้งจิตแล้วคุณเป็นโรคจิตครับเพราะคนดีๆทั่วไปคนอื่นเขาด่าเราไม่โกรธครับเพราะนั้นถามว่าในกรณีอย่างเงี้ย เราต้องการจะมาแก้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาแก้แล้วเนี่ยขอให้คุยกันรู้เรื่องซะหน่อยบอกให้นั่งก็นั่งได้บอกให้หันซ้ายหันซ้ายได้อย่างงี้นะคุยกันรู้เรื่องปฏิบัติตามกฎกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติได้ใช่ไครับใช่รเราคิดว่าเท่านี้ก็เพียงพอครับส่วนเรื่องการรับประทานยาของหมอก็รับประทานไปไม่เป็นไรก็ผ่านได้จริงๆเรื่องนี้มีในสมัยพุทธกาลนะที่มีนางภิกษุณีคนหนึ่ง ตอนนี้นยังไม่บวชที่นางปตจราร เ, เจอพบ ท, ท, อออทุกขเวทนามากรเรียกว่าลูกก็ตายลูกสองคนนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายผัวก็ตายในช่วงวันเดียววันเดียวกันเลย ừ, ในช่วงเวลายี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยผัวที่รักมากหนีตามกันมาตายลูกนะที่จะคลอดออกมาใหม่ๆตา ย, ตายลูกที่โตมาแล้วหลายปีหน่อยก็ตายกลับไปถึงบ้านพบว่าพ่อตัวเองแม่ตัวเองก็ตาย ประสาดไปเลยหมอธนพงศ์ประสาดหลอนไปเลยเดินไปแก้ผ้าเทิงเทิงไปตุ้งตุงไปเนี่ยนะไปเข้าวัดเฉตะวันสงสัยยังพ อ, ม, อมีบุญอยู่บ้างประชา้าแสดงํางให้ฟังคนแบบนี้ก็ยังฟังทำได้นะแต่ว่าอาตมาไม่มีไม่มีความสามารถนั้นนะ่ะหมายความว่าอาตมาเธอมาฉันจะเคาะหัวปองปององอ่ะหาย เราทาไม่ได้ไม่ใช่สัพพัญยูเหมือนองค์พระพุทธเจ้านะครับหรือเราเราไม่สามารถแบบผมน้ำมนต์พบพบหา ย, หายอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้นะก็เลยก็เลยใครที่พอฟังรู้เรื่องพอฟังทําได้ก็มาก็ได้ไม่ว่าอะไรเออเก็พิจารณาเป็นรายรายไปอย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าต้องทานยาเราก็ทานยากันอยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วตื่นเช้ามาคุณกินข้าวอ่ะข้าวนั้นก็เป็นยานะเไม่ทำนห้เออเป็นให้ธาตุขันดํารงอยู่ได้ เพราะฉะมันอยู่ที่หลายระดับต่างหากว่าพอคุยกันรู้เรื่องไหมคุณป่วยเนี่ยคุณป่วยระดับไหนธรรมะจะช่วยได้ก็มีหลายระดับนะถ้าบางคนมีแต่ความโกรธความเครียดแค้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต่อให้มันมันไม่มีประสาทหลอนไม่เป็นคนเครียดมากนะแต่มีแบบทิฏฐิลามกอย่างเงี้ยอย่างผู้ปริพาชคอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกตัวเองเขาบ้านะเขายังดีๆอยู่แต่ว่า เขามีทิฏฐิไม่ถูกก็เชื่อว่าป่วยเหมือนกันอ่ะคนป่วยแบบนี้ทางจิตก็ฟังธรรมาไม่ได้เหมือนกันครับช่วยเขาไม่ได้ครับครับคือเราก็นึกถึงว่าอาจจะรบกวนผู้อื่นในการปฏิบัติซึ่งอาจจะเป็นอกุศลของตัวคนนั้นอีกนะครับก็เลยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างกรณีของวราระจิตสุดท้ายครับแตนะ่ถ้ายังจิตยังป่วยอยู่แน่นอนยังต้องไปเกิดจิตป่วยนี่คือจิตมีกิเลสครับเพราะฉะนั้นจิตยังมีกิเลสันต้องไปเกิดเกิดสักที่หนึ่งอ่ะตามผลกรรมที่มี เพราะฉนัค้คนที่จิตป่วยอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่า เ, าเขาจะไปเกิดเป็นอบายมันไม่แน่อา่าจิตป่วยอยู่เนี่ยหมายความว่าจิตเป็นสมาธิไหมล่ะครั บ, รบเกิดเขาเขาก็มีกําลังของเขาเกิดเป็นสมาธิเขาก็ไม่ได้ลงอบายนะครับหรือว่าไปคิดถึงบุญกุศลที่เคยทํามาในขณะนั้นมันก็เป็นไปได้หลายอย่างครับอเพราะฉะนั<ม>้นมันก็ไม่แน่เราก็อแต่ความคิดเนี้ยอก็ เป็นความกิดนี่ที่ดีอยู่หมายถึงว่าก็ดีอะถ้าใครจะได้มาปฏิบัติธรรมรูปธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับก็คุณกนกรักน่าจะชัดเจนนะครับในเร่อของคําตอบในส่วนตรงนี้นะครับโอเควันนี้นะครับเวลาคิดว่าก็หมดเวลาแล้วหมรอนแล้วงครับเนี่ยรายการเปิดทำที่ถูกปิดภาพออนไลน์นะเราว่าจะทําสัก30มสิบนาทีมันก็เลยไปเรื่อยแต่ว่าไม่มีใครมาคอยกดออดไล่ตะค้างเราเพราะว่าเราก็ทําของเราเอง อยากพูดอะไรก็พูดเนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรให้เขียนนำมาถามได้ที่ w w w บเ e ็ t h a ล m a .com นะครับตอนนี้รู้สึกแฟนประจำเราก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามมาซึ่งจริงๆแล้วดีมากเลยจะได้เป็นการแบ่งปันดีแล้วเพราะว่าใครยังสงสัยกรึบแครงในมารกในข้อปฏิบัติให้ถามเสียครับครับก็จะเป็นทำให้ ธรรมะนีะ้แตกฉานขึ้นนะครับเบลกาดดูย้อนหลังฟังย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วก็มาถามในปัจจุบันได้นะครับเรื่องของรายการวิทยุเนี่ยรายการเปิดทำที่ถูกปิดภาคออนไลน์ปาร์ตแคสต์เนี่ยฟังย้อนหลังได้แต่พวกรายการวิทยุต่างๆเนี่ยจะฟังย้อนหลังไม่ได้งานสื่อต่างๆที่ท่านผู้ฟังพอจะรับฟังได้ทางด้านเด่นๆจะเป็นรายการวิทยุเนี่ยก็ให้ไปติดตามรับฟังกันทางสื่อต่างๆเหล่านั้นแล้วกันครับ แล้วไงพบกันในสัปดาห์หน้าเอพิโซดที่22่สิบก็จะเลือกเรื่องที่เหมาะสมคิดว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับมารดาบิดาเอพิโซดทีสิบสนะว่ามารดาบิดาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรกับมารดาบิดาให้มันถูกต้องตามหลักพุทธวจนะให้มากที่สุดโอเคครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็กราบธรรมสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซ จังหวัดอุดรธานีครับจเรียนพ่ทุกท่านกลับตามรักพาสวัสดีครับ